พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห8ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31สิอสิงหาคม2556ในโอกาสอบรมคณะบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่ากว่าจะมาเป็นเทศหลวงตาให้เราได้ฟัง มาทั้งหมดสามวัดใช่ไหเนี่ยเรื่องวัดเดียว3วัดหนึ่งวัดองเดียวองค์หนึ่งวัดองค์เดียวใช่ไหมวัดสองกี่องค์สามองค์น่ะวัดสองสามองค์แล้ววัดหลวงพ่อคาาทั้งหมดจักติปีนี่ะโอ้รวยจะได้วะสงสัยหลวงพ่อมาตินเอาต่างชาติมากี่องค์เลยวะ สามเหรอฮะสีองค์กี่ประเทศอะไรสามองค์สี่องค์สามประเทศเยอรมันกี่องค์องค์องค์ อะไรก็ฝรั่งเศสสององค์อังกฤษหนึ่งองคอลูกศิลป์หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาเป็นอังกฤษแต่ลูกศิลป์หลวงพ่อเชอรี่ไม่มีเนาะแคนาดาเนาะเอเะ อ, อนั่นสิไม่ค่อยเห็นว่าแคนาดาเนาะอังกฤษหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเอี่ยนโอ้เจได้พอพูดถึงเจไดหลวงพ่อเอี่ยนว่ะเจไดอย่างมากเลยเออลุงพ่อฟิลิ หลวงพ่อฟินิปเนี่ยรุ่นรุ่นแรกหลวงพ่อฟิลิปหลว ง, งพ่อปัญญาหลวงพ่อเชอรี่หลวงพ่อเอี่ยนรุ่นก่อนๆเนี่ยสมเร็จพระสังฆราชท่านยังมีกําลังอยู่ท่านบวชได้ท่านปัญญาท่านเชอรี่ท่านเชอรี่กับท่านปัญญาเป็นนาคู่นะหน้าซ้ายขวาบวชวันเดียวกัน แต่ท่านปัญญานี้ท่านเกิดที่อังกฤษแต่ท่านมาใหญ่อยู่ที่อินเดียมาเป็นอินเจเนียร์ขุมขุดบ่อทองที่อินเดียอยู่หลายปีเนี่ที่ผมถามประวัติท่านนะ<ม>ท่านปัญญาเนี่ยท่านมาขุมขุดขุดบ่อทองที่อินเดี ย, ยแล้วก็มาควบคุมจากนั้นท่านก็เป็นบรรณโลกกระดูก ที่เท้าจากนั้นเขาก็เลยมาบวชพอมาบวชแล้วก็เป็นที่แรกมาบวชที่วัดปากน้ําก่อนอพอมาบวชที่วัดปากน้ําเสร็จแล้วท่านก็เลยกลับไปอังกฤษไปจำพรรษาที่อังกฤษกี่ปีต่อปีต่อองปีสองปีเหรอหปีเหรอโอ้ โ oh. อ้โหจากท่านท่านก็นกลับมามาอยู่กับท่านพุทธทาสพอมาอยู่กับท่านพุทธทาสตัวนี้ท่านก็จะมาขออยู่กับหลวงตาหลวงตากตจะรับบางไม่รับบางเหมือนันแตเพราะพระฝรั่งองค์แรกใช่ไหมเออพระฝรั่งองค์แรกท่านจะรับบ้างไม่รับบางไม่รว่าจะมาเป็นสปายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันแต่เออ <c oughs> เป็นสมัยนะั้นเป็นคขมันนิดเออทัง ประชาธิปไตยทั้งระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเอ่ออันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นระบบไหนที่จะมาบวชเนี่ยลงตาก็ต้องพิจารณาดูพอสมควรจากนั้นลงตาก็เอ้าเข้ามาอยู่ก่อนอยังไม่ให้บวชยังเป็นหมานิกายนะจากนั้นมาอยู่ที่วัดปา่าปัญนทร์สามปีมั้งจากนั้นท่านเจอรี่เป็นเข้ามาทางมาเลเป็นโยม ออมากันมาอยู่มาเป็นเมนรโมบายเนก็เลยบวชต่อกันกับท่านเชอรี่ท่านปัญญาเป็นนาคขวาท่านเชอรี่เป็นนาคซ้ายบวชพร้อมกันที่วัดบวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นพระอุปชาหลวงพ่อได้ถามไทยของท่านเนี่นะหลวงพ่อปัญญามีอากมีโอกาส ก, ก, ก็นั่งคุยๆกันท่านใจดีใจเย็ น, นเ่ิดกับเล่าๆให้ฟังแต่ท่านหลวงหลวงพ่อก็ถามว่า เอ๊ท่านปัญญาขุดทองที่อินเดียนะเขาขุดยังไงหลวงพ่อก็ะทำนะท่านบอกว่าวูขุดเป็นกิโลนะมันไม่ใช่ขุดตื้นๆนั่งลงไปในพื้นดินเขาขุดไปตามสายทองทองแร่ทองไปใสนะ่เนี่ยก็จะขุดไปตามสายทองก็ลงไปอย่างนี้ก็ลงไปลงไปลงไปลงไปลงเป็นกิโลท่านวันนะโอ้ คนหายใจได้ยังไงเขาบอกว่าต้องปั๊มลมลงไปให้ให้อากาศลงไปทังล่างให้ขึ้นมาทังขึ้นมาต้องปั๊มลมอากาศลงไปต่งนั้นไม่ได้เวลาขูดลงไปเขาขูดใช้จอบนี่แหละขูดเลยอยางนัอนขูดตามสายทองได้ไปเจอหินกระทบหินมันขยนุนทองคำก็อยู่ในหินนั่นแหละแต่กลัวอย่างเดียวกลัวที่พวกลงไปนั่นนะพอขูดถ้าไปเห็นเม็ดทองง ไปให้ทองกืนก็ไปในท้องท่านว่านะพวกนี้มันค่อยขุดขุดขุดไปมันมันหามันมันอะไรต่อคิดว่าจืนเขาไปเนท้องสมัยนั้นไม่มีเครื่องเอ็กซาเรตเลยท่านว่าเออกลัวอย่างเดียวนะพวกนี้พวกกืนทองเหมนกันทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วก็มันก็เก็บไว้เก็บไว้ไงตัวยามันจะขึ้นมาไปคืนคืนเข้าไปในท้องจากนั้นมันก็อาไปไปทายออกกินทองเหมือนกันเด้ ไอเดียท่านปัญญาท่านพูดให้ฟังนะพูดให้หลวงพ่อฟังแจะได้พอคูดขึ้นมาแล้วก็ใส่กระเป๋ขึ้นมาด้เลยคล้ายๆกับว่าท่านนู้นเขาจะกด อ, อก่ดอดเต้ยพอเต้ยเสร็จแล้วเนี่ท่านปัญญาแบบกดอันนี้อันนั้นลงไปเลยกดฟุดขึ้นมันก็ปิดคาเช่าขึ้นมาเช้าขึ้นมาคือคาเช้าวันนี้ก็ลงไปแล้วกระเช้าได้ขึ้นมาเอแด้เอาดินเอาดินทองอนะไรขึ้น พอขึ้นมาแล้วก็พวกใดขึ้นมา้วก็มาบดมาใช้เครื่องบดให้มันแตกละเอียดพอแตกละเอียดเสร็จแล้วเขาจะมีบันไดบันไดปูนจะเป็นเป็นขันบันไดมีบันไดแล้วก็บันไดมันไม่ใช่บันไดในเฮ็ดเกนแงีนทีนีงงงน้สักหน่อยอย่างนั้นมาก็เอาแร่ที่เขาบดบดแล้ว เ, เทลงไปพอเทลงไปปล่อยน้าลงไป ปล่อยน้บอย่างแรงลงไปแล้วพอน้าลงไปจะได้ไอ้ทองมันหนักกว่าหินทำไมไอมันหนักกว่าหินทองมันจะมันจะอยู่ในอยู่อยู่ที่ที่น้ําขังหินนี่มันจะกระเด็นเลยหินมันกระเด็นลงไปไอ้ฝุ่นหินกระเด็นลงไปแต่ทองมันจะอยู่เป็นเม็ดเม็ดเป็ดเป็ดเป็ดเป็ดพอลงไปเสร็จแล้วทะได้มันไอ้เนี้ผ้าห่มผ้าห่มขี้งาของเราเนี่ย ผ้าห่มที่ราคาถูกๆผ้าห่มขี้งา่ยปูเลยปูยาวเย็นไพอตกถึงนี่เลยเม็ดนี่ก็ลงลงลงลงน้ำกร ะ, ะแทกไปอีกกระแทกพวกฝุ่นนะไอทองคํำที่เป็นเม็ดเล็กมันจะไปมดอยู่ในผ้าห่มขี้งาอีกทันวั น, นเออไปมดอยู่ในผ้าห่มขี้งาจํำนวนที่ปูไว้ทั้งหมดนะดินนั้งหลก็กระด้ออกไป เสร็จแล้วก็พวกนั้นก็มากวาดเอาทองระบาดนี้กวาดเอาทองไอ้อยู่ตามบันไดกวาดกวาดกวาดพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าผมขิงงาจำนวนนั้นอ่ะมาม้วนม้วนม้วนม้วนเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟอีกเอาไปเผาไฟทองคํามันจะอยู่ในในในผ้าผมขี้งาผืนนั่นหน่อยเออแต่ีนท่านปัญญาในท่านวัดท่านอยู่ในเป็นผู้นั่งเฝ้าลิฟต์ังหวัดนะ คือบุคคลที่สําคัญมากเนะีเวลากดมันถึงขนาดไหนมันต้องมันต้องใช้หัวขนาดหนักเลยนะมันมีปัญหาอะไรมันมีไม่มีปัญหาอะไรต้องพิศวกรอย่างที่ว่าคํานวณให้เป๊ะเลยแล้วกันเถอะแปลว่าชีวิตของคนข้างล่างด้วยเออเอออยู่ระระหว่างขึ้นคนขึ้นมาด้วยชีวิตของคนข้างล่างด้วยเกี่ยวกับพิศวกรอย่างนี้สําคัญมากเลยเพราะมัน มันลึกเป็นกิโลกิโลเนึ่งที่กุฎทองที่อินเดียทม า, านวะ่อืะแต่ถ้านโกมตังว่าแปลกไอ้ตรงไหนที่มีไฟท่านว่านะที่มีไฟฟ้าเนะี่ยคือบางทีมันมั น, ม, นมันโค้งอย่างนี้เลยขึ <c oughs> ้น อ, อย่างนี้นไอ้ตัวที่มันมันโค้งเนะ่ะเขาจะมีไฟไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไฟฟ้านะ <c oughs> ไฟฟ้าเป็นดอกจุดตรงไฟฟ้าเนะี่ยจะมีจะมีวัฏพุทธเกิดท่านว่านะ อจะมีพวกนี่แหะพวกผักพวกอะไรเอพวกผักกูดผักอะไรเนี่เกิดในในพื้นดินเเออมันเกิดในไอ้ตรงที่มันมีไฟอ่ะไรทั้งนั้นเลือดเลือดเลยพราเขาขุดมันไม่ใช่ขุดเอเดือนสองเดือนเนี่ยมันขุดเป็นปีๆใช่ไหมนะแต่เนี่มา่ก่อนมีมีมมพัฒพืชเกิดตามตามที่มันที่มันนั่นอะ่ะครับผมก็แปลกใจว่าทำไมยาจะไปเกิดในพื้นดินได้ ท่านปัญญานะ่ยท่านพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อตามท่านพูดโห้โหท่านพูดใจดีหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านปัญญาเนี่ยนะขนาทําด้ามมีกดก็ยังมีแปลนอย่างนั้นเขียนแปลนซ้ก่อนได้ก่อนทําด้ามมีดนะเ อ, อหลวงตามหาบัวว่าแล้วกะกะอะไรนี้เป็นอะไรปัญญาแปลนอย่าง น, นั้นท่านท ำ, ำด้ามมีด เล่มเดียวก็ทำแปลนอย่างนั้นใช่ไหมครับว่ <What? S 1> าภาษาทรด้ามมีดกันมีแปลนอเอะอ้าวท่านเขียนด้วยด้วยนะด้ามมีดตัวเหล็กยาวขนาดที่ปลอกขนาดที่ควรจะทำขนาดไหนยาวขนาดไหนจำงพอะท่านทำโอ้แปลนทำได้ดีมากแล้วก็ทำกล่องนาฬิกาอยง ทำนาฬิกาไม้ประยุก์ทำนาฬิกาโอ้โหผมว่าน่าจะเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นะโอโ้ท่านทําได้ดีมากจริงๆเห็นแล้วล้วขณะท่านเป็นฝรั่งนะท่านทําแปลนท่านกล่องนาฬิกาพกเนี่ยนะถวายลงต้อันหนึ่งนะถวายท่านอันหนึ่งท่านเอาไว้ใช้อันหนึ่งสําหรับใส่นาฬิกาข้อมือเนี่ยใส่เข้าไปพอดีพอดีพอเหมาะเลยว่างนั้นเปิดต๊บต๊ท่านทําได้ดีมากสวยอีกต่างหากกระทัดรัดอีกต่างหาก ออกแบบแปลนได้ดีมากเย่างนั้นเห็นแล้วแต่ท่านไม่ทำให้ใครนะมีแต่มีแต่ของท่านนะกับของหลวงตาสรุปแรกก็คือท่านปัญญาเนี่หลวงพ่อยังเชิดชูบูชาพระคุณของท่านปัญญาเหลือล้นขนานานับเพราะเหตุไรถ้าหากว่าไม่มีท่านปัญญาไม่มีท่านเชอรี่นะพวกเราไม่ได้ฟังธรรมเทนาของหลวงตา ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าท่านมาปัญญามาอยู่เนี่ยท่านมองไกลเลยฟังเห็นฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยท่านพอใจจุใจน่าจะอัดเทปธรรมเทศนาของหลวงตาไว้เนี่ยแหละอันนี้ผมผมว่าน่าเชิดชูบูชาท่านปัญญาอย่างมากแต่ว่าท่านปัญญาเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นคู่บา ร, รมีของหลวงตาจริงๆเอ๊ะ พอจากนั้นมาท่านเชอรี่ท่านเองท่านท่านปัญญานี่อย่างว่าเนี่ยท่านก็เป็นเอนจิเนียรใช่ไหมเป็นวิศวะเท่านั้นท่านก็ไม่รวยแต่ท่านเชอรี่เป่านี่ยท่านเชอรี่เนี่ท่านเป็นคนอเมริกาพ่อของท่านเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันเป็นเจ้าของปั๊มเป็นปั๊มเชียวหรืออะไรเนี่ยเป็นปั๊มใหญ่ที่สุดขายน้ํามันแต่แม่ของท่านก็อย่างนั้นจากมานมาท่านก็เลยไปอยู่กับแม่ พ่อท่านอะไรมีพินัยกรรมอะไรให้แม่ท่านท่านกัมุกเชลีโเป็นคนมีเงินนะสมัยก่อนนั่นแะแต่ท่านก็ใช้อืดยุย่งช่วแชร์หมดแล้วละท่านถวายลงตาอนะไรไม่ใช่ที่่ไปที่อื่นถวายลงตาทั้งหมดมีเท่าไหร่ทีนี้ท่านก็บอกว่าเอท่านปัญญาบอกเอถ้าได้เทปมาอัดเทปมาอัดเทปลงตา ก, ก็าดีนะเชลี่นท่านเชลีเอาเอาหเอ า, เอา ท่านก็เลยสั่งไปที่เยอรมันเออสั่งไปเยอรมันเทปกลุนเด็กกลุนเด็กแค่ตัวหนาที่ไหนเห็นอยู่เหรอเอ อ, อนั่นแหะตัวนั้นแหะตัวนั้นแหละเป็นปฐมมาเล็เทปกลุนเด็กตัวนั้นแ่ะหนักใส่ฐานทั้งสิบสองฐานเหมือนกันเลใส่เข้าไปเนี่ยหูเอเียงน่ยไอ้ความความหนักของกลุนเด็กตัวนั้นแหะแต่มมวนเทปใหญ่ขนาดนี้นะหมวนกลมนะ เออหมุนอ่าแต่เน่ก็ท่านเจอร์รี่ซื้อมาซื้อมาถวายถวายให้ท่านปัญญาท่านปัญญ า, าออก็เอามาท้ายถวายซื้อมาสองเครื่องเลยน ะ, ะถวายท่านท่านอาจารย์จิงทองเครื่องหนึ่งเอ่อถวายที่วัดป่าบ้านตาในเครื่องหนึ่งแต่เครื่องท่านท่านอาจารย์จิงทมาที่หลังแต่ของท่านวัดป่าบ้านตาในมาก่อน <S <S เครื่องนี้เป็นเครื่องใหญ่แต่ม้วนเทพหนึง แผ่นสายเทปขนาดนี้เลยเออแต่อัดได้สองข้างเหมือนกันนะอัดได้สองข้างแต่ทีเดียพอติดเครื่องแล้วก็อัดมันก็หมุนเออหมุนเข้าไว้หมุนเข้าหมุนเข้าแผ่นเทปนี่แหละอันนี้ก็คือเทปที่อัดธรรมเทศนาของลงตารุ่นแรกต่อมาก็มีเทปฟิลลิป ต่อมามีฟินลิดของอังกฤษบ้างของออนแลนด์บ้างเป็นเป็นเทปเล็ตแต่นั่นก็คือส่วนผสมแต่ป็นตัวหลักจริงๆก็คือกรุ่นดิกของเยอรมันมีอยู่สามสีเครื่องมีสมัยหนึ่งที่เขาเขาทำถนนลาดยางเข้ามาบัานาดาลน่นขโมยมาขโมยที่กุติท่านเอี่ยนครานั้นไปเครื่องหนึ่งไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรเพราะ ออกไปก็คงจะไม่รู้จักวิธีใช้แล้วเ่เทปเนเทปของของรุ่นเก่านะที่แบบแบบมว้วนในเมืองไทยยังไม่มีในสมัยนั้นะ่ะแต่เี้ก็พอต่อมาท่านก็อัดใส่ใส่ม้วนกลมต่อมามีดรเฉาไปญี่ปุ่นไปก็ไปเห็นไปเห็นเทปคาเซ็ตเทปคาเซตนี่ มันลักษณะเนี่ยแหละหนาขนาดนี้ยาวขนาดนี้กว้างขนาดนี้ของโซนี่โอ้โหท่านปัญญาพอใจมากเหมือนเพราะมันเพราะมันเล็กใช่ไหมเพราะว่าไปเห็นไปเห็นกลุนเด็กจนพอแรงแล้วเหมือนกันถึงถ้าได้ก็มาเห็นท่านสักหน่อยโอ้โพอใจมากเลยเทปโซนี่คาเซ็ตเนี่ยอาจากนั้นท่านก็เลยพยายามถ่ายทอด อาจจากน้อนนั้นมาใส่ตัวนี้แต่นี้เวลาอัดเทปโลงตาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะอัดแล้วตั้งไม้ไว้ใกล้ๆไม่ใช่นะ เ, เห็นไม้มาโยกไปไม่ได้พูดอะไรมากมายล้วกันไปพัฒนธรรมญาทำไงธรรมยาคนนั่งอยู่ข้างๆนะเอาเอาไม้ไว้ข้างๆเท่านั้นไม้ไม่ข้างๆลงตาไม่เห็นไนี่ยไม่ลงตาไม่เห็นออกไม้ตันี้ลงตาก็พูดพูดไปเลยธรรมญาจะอัดไปเลย ถ้าจะอัดสามสิบก้อนไม่ได้สามสิบเปลี่ยนหน่อยี่สิบห้านาทีต้องต้องใช้เทปชั่วโมงยี่สิบนาทีแต่ว่าชั่วโมงยี่สิบนาทีในี้แต่ีฐานของมันน แ, แต่เนี่ฐานฐานเล็กนะจะไม่ใส่เครื่องเล็กไม่พอท่านปัญญาต้องประดิษฐ์ประดิษฐ์เอาฐานใหญ่สีก้อนใช่ไหมเออฐานใหญ่สีก้อน <c oughs> เพื่อเสียบเสียบเข้าเทปเล็กนั่นนะเคื่อให้มัน ให้มันให้มันพอสําหรับชั่วโมงยี่สิบนาทีน่ะแต่ตัวนี้ท่านปัญญาก็ต้องใส่ใส่ใส่ยาออกมาอย่างดีเพราะงั้นอถ้าเปิดไปทางว่าสามสิบถึงสี่สิบพลาดบัตรดังตักอะตายเลยท่านปัญญาเนี่ยว่าท่านปัญญาก็ต้องจะต้องจะต้องคล้ายๆดูดูคล้ายๆมองนาฬิกาใกล้ๆลุก หมดแ้ไม่จบก็ตามท่านพญาก็ต้องปิดไว้ก่อนเอ่อถ้ามันจะถึงชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วน ะ, ะท่านพญาต้องปิดไปก่อนปิดเทปไปก่อน <S <S 1> <S 1> <P os al> พอได้เทปมาแล้วจะนี่ก็ามาฟังดูมาฟังเสร็จแล้วท่านพญายก็มาเรียบถ่ายเอาเทปเอามาถ่ายใส่ม้วนใหม่ไปเลยม้วนสี่สิบ้าบงม้วนสามสิบบ้างเทศปจะยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนท่านพญายจะรบเรีบจัดทันที ในเมื่ออัดมาแล้วใครจะไปยืมต่อไม่ได้เด็ดขาดในช่วงนะั้นท่านปรญาต้องถ่ายซะก่อนเจะนั่งกระทันกับลงอลงลงตัวนังสือเอาไว้เรียบร้อยวันเดือนปีเรียบร้อยถ้าวันนี้ลงตาแทศเผ็ดร้อนเก่งมากท่านอย่าใส่ตัวเอ <c oughs> <c oughs> แค่ว่าเอเนี่ยแปลว่าเดือดงอนนั่ น, นแหะ <c oughs> นั่นแหละไม่มีความหมายของท่านและท่านปรราัญญาท่านมันรอบครอบ ข, อบขานาดนนะั้นจงพ่ออยู่กับท่านปัญญาเป็น ตั้งสิบี่ปีเนี่ยหลวงพ่อก็คุกคีในระในระดับที่ว่ารู้จักที่ไปที่มาพอสมควร ก, กับกับการอัดเทปของท่านปัญญาแต่วันไหนบางทีก็ลงตาเ อ, อ้าท่านปัญญาเข้าไปในครัวท่านท่านปัญญาหรือ่ากจะเดินช้ากว่าจะกว่าจะจัดเทปกว่าจะจัดใลงตาก็ได้ค่อยบางทีลงตาลาคาดพอโตลงตาลาคาดเ่ยเอาอาลตรีไปนะวันนี้นะ ท่านปั ญ, ญากรีบจัดรีบจัดไอ้ไอ้อคาเสร็จะเออบางทีท่านอาจารย์ดีหลวงปู่ลีกดผิดกดทูก เ, เอกบ่เน <c> ี <oughs> ่กลับออกมาไม่ได้ไม่ได้เสียงโลกตาเลยว่างั้นเถอะเพราะท่านอาจารย์หลวงปู่ลีกดผิดแบบนั้นเถอะมีไม่น้อยอีกเหมือนกันเหมืนอนนตรงนั้นน่ะเออบางทีหลวงปู่บุญมีไปหลวงปู่มีก็กดพิดอีก บางทีก็กดถูกบางทีทัดจะพัฒนปัญญาจะกดไว้ก่อนก็ไม่ได้เลยม้วนเทพปันญา ก, กินไปมากเกินไปใช่เนี่ยแหละให้ไปกดที่ทนะ่านกดตี่นี้นะเออกดตัวนี้ก็กดตัวนี้บอกเ อ, อในช่วงนั้นก็คือช่วงที่เทว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อมนะั่นก็คือคุณเผาปงาป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งในกระดูกเป็นปัญญาของคุณไวแต่นี้ก็คุณ เผาอะก็มันนอนมาลักเ่ว่าตัวเองอย่างงี้ก็ไม่หลอดนะตายแล้วขาวนี่ก็เลยมารักษาติตมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาหลวงตาัาโปรดไปเทศทุกคืนทุกคืนเน่ยจึงมีนั้งมีเทพเทว่าชดุดชุดเตรียมพร้อมขึ้นมาในคำว่าชุดเตรียมพร้อมคำนี้เนี่ยคืนนี่แหละเมื่อท่านไปโปรดคุณเผาพงาที่ครัวอแต่ว่าคืนอำลาเนีกันนั่นแหละคือคือคุณ คุณเผ่าปางาลาแหละคงจะไม่กลับมาแล้วเออหมอเขาบอกแล้วเด็บอกว่าได้กําหนดแล้วก็าขอให้กลับแต่คุณเผาปางาก็เลยกลับกลับลงตาก็รู้แก่ใจว่าคุณเผ่าปางาคงไม่ได้กลับมาวัดป่าบ้านตายอีกเนี่ยเขาท่านก็เลยตั้งชื่อว่าคุณไว้ก็ตั้งชื่อว่าคืนอำลาที่ลงตาพูดรู้สึกว่าโอ้ฟังฟังดูแล้วก่อน จิตใจห่อเหี่ยวเหมือนกันเท่านั้นแหละในเทศกันนั่นน่ะนี่นแหละท่านี้ก็หลงตาเทศที่ไห น, ในๆทุกท่านพยาจะเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บไว้ออกไปเทศข้างนอกเอาเครื่องไปให้หลวงปูรีเอาไปหากใครไปกับหลงตากับฝากกับองค์นั้นไปแต่โดยมากพระน้อยพหนุ่มท่านจะไม่ให้ไปได้อย่างหลวงพ่อไม่เคยได้ไปหรอกท่านเอาไว้ท้างหลังท่านไม่ให้ออกหน้า เออโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระพวกน้ยนอยหนุหน่มๆทั้งหลายเลยไปมันควรจะไปไปขโมยขโมยรักสาวพักท่านไม่ให้ไปใกล้แล้วค่เด็ดเออเรามรไม่ได้ไปใกล้เราแค่เด็ดอยู่ห่างๆเลยอยู่ทางหลังทางหลังหลวงปู่หลวงตาน่ยแค่เด็ดไม่ได้เข้าไปใกล้่มีแต่ท่านเอาพระผูเท่าหลวงปู่ลีบังหลวงปู่บุญมีท่านปัญญาที่ไป พระพลังเนี่ยนมท่านก็ไปเอาไปอีกเหมือนกันพวกท่านเอียนพวกนั้ไม่ได้ออกไม่ได้เข้าไปใต้หรอนี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นมาท่านก็พยายามรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตานานเท่านานได้มากทีเดียวจึงเป็นผลงานเนียว่าธรรมเทศนาของหลวงตาที่เทศต่างกลรมต่างวาระเนี่ยโอ้รู้สึกว่า มีประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายมากๆผมว่าน่าจะเขียนหนังสือเชิดชูบูชาหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเชอรี่จุดนี้ไว้ให้ปรากฏเหมือนกันนะมาตินนะเออให้เข้าเนี้ยความเป็นมาของธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยที่พวกเราได้ฟังเนี่ยเบญบุญคุณของท่านปัญญาท่านเชอรี่เออแล้วก็ไ อ, อ้อันนั้นเน่ต่อมา คุณหมอเป็นสีสั่งซื้อเทปท่านไปเยอรมันนะเทปแบบอะไรตัวเล็กๆหนักหนักมากเขาเรีอะไรชื่อว่าไงผมไม่จำชื่อแต่ก็มีก็มีอะไรมีไม้ตัวหนึ่งที่หัวเบ็้ยๆอ น, นนะไหเบเยอรนะ์ไนเบเยอรนะ์แต่ละตัวนั้นนะคุณหมอเป็นสีซื้อแ0ดพันนะตัวนั้นนะสมัยนั้นนะคุณหมอเป็นสีซื้อถวายท่านปัญญา8ปดพัน อถวายเพื่ออัดโอ้โตอนอัดดีมากเลยเดี๋ยวนี้ยังอัดอ ย, ยู่ผมจะไปเห็นเมื่อนลวงตาจากไปผมยังเห็่โอ้อไม้ด้อยย่างอยู่ในวาวโอ้ใช้ได้ทนจริงๆในวาวเป็นของเยอรมันนี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นทางกองเนี่ยหนังสือทีผู้ที่แปลหนังสือเนี่ยคือคุณหญิงคุณหญิงเสริมสี คุณหญิงเสริมสีเป็นน้องภรรยาของอาจารย์หมออวยเกศสิงห์อาจารย์อาจารย์ภรรยาของอาจารย์หมออวยเกตสิงห์นี่คืออาจารย์สงศ์สีสกเกษมสีแหม่สงศ์สีเกษมสีแต่ว่าอาจารย์สงศ์สีนเนี่ยเกตสิงห์เป็นนามสกุลของของอาจารย์หมออวยนายจุตเกศสิงห์แต่ใ้ท่านขอขอนุญาตจากองค์หลวงตาไว้ ท่านอาจารย์เจ้าขาธรรมชุดเตรียมพร้อมอวกาศของจิตอวกาศของธรรมดิฉันขอแปลเออเอาลงหนังสือได้ไ้ยเจ้าค้าลงตาก็เห็นเขาไม่มีครอบครัวเป็นหลวงพอาจารย์เสริมสีนะเออเขาทำงานอะไรต่างประเทศหรืออะไรดวกตาก็เออแล้วเขาก็เขาก็มาถอดออกจากเทป ถอดออกจะมาจากเทปจากนั้นเข้ามาก็ามาเป็นตัวหนังสือพอหนังสือเสร็จแล้วเขกระส่งเข้าไปให้ลงตาลงตาก็มาตรวจทานปวงตัวทานอะไรคับว่าตัวไหนพอจะเพิ่มตัวไหนควรจะตัดหรือจะเป็นนั้นอยู่ในเทปก็เถอะแต่ท่านฟังดูแล้วมันควรจะตัดออกท่านก็นตัดออกเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มเพิ่มพื้นอีกตัวเล็กๆอย่างนั้คุณเสริมสีเข้าไปไปแปลออกมาอีกพอแปลเข้าไปอีก แต่ที่ท่านก็คือว่าเออเอาพอถูกต้องแล้วอาจารย์เสริมสีจึงก็เลยไม่ไ ป, ไปพิมพ์ออกเป็นเล่มที่ว่าธรรมะชุดเต็มพร้อมอวกาศของจิตอวกาศของธรรมคือหนังสือเล่มนี้ออกมาจากอาจารย์อาจารย์หม่อมราชวงศ์เสริมสีกเกษมสีแต่ที่นี้ยังประวัติหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตุลวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น อันนี้คือท่านเขียนให้สีส ป, ปดาสีสั ป, ปดาเป็นคนพิมพ์แล้วไไลส่งไปลายสปดาแต่ท่า น, นสีส ป, ปดาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดออถวายท่านแต่ท่านปัญญาก็นํามาประดิษฐ์สมัยนั้นมันมีไฟฟ้าบรรตาไม่มีไฟฟ้าใช่ไหยท่านปัญญาก็เนี่ยเอาแบตเตอรี่หาแบตเตอรี่มาเพื่อจะเอาเข้ากับกับพิมพ์ดี ตอพอแบตเตอรี่หมดหมดจะทํำยังไงท่านท่านปัญญาก้องหาเครื่องฮอนด้าฮอนด้าเล็กๆ <Okay. S 1> ติดเครื่องฮอนด้ากับชาร์แบตเตอรี่พอชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มาใส่เครื่องพิมพ์ดีตรงตาเ อ, อเครื่องพิมพ์ดีตรงตาไม่ต่ำกว่าสีตัวเพื่อเครื่องหนึหครื่งหนึ่งเข้าเครื่องหนงหมดครื่องถ้ามันบทเทไรท่านก็เลยท่านปัญญาหมดแล้ว ท่ัญญาก็ต้องมาม า, มาเพิ่มให้มาเพิ่มแบตเตอรี่ให้ที่แรกท่านก็พิมพ์นะพิมพิมพ์ช้าๆพอต่อมาลงตาในเก่งนะี่อายุประมาณเกือบจะเข้าเจ็ดสิบแล้วช่วงนั้นหกิบกว่าเกือบเจ็ดสิบลงตาที่พิมพ์เอ่ยประวัติของหลวงปู่มั่นนะแต่ได้ท่านพิมพ์รัวนแะต่หน้าทีเดียวได้ตั้งสิบหกคำเลยแปลว่าแปลว่ามาตรฐานเลยแล้วนั้นแหละลงตานล้วไม่ใช่ธรรมดาแนตะ่พิมพ์พิมพ์ดีเลยใส่ร้วแล้วนะ หลวงตาพิมพ์นะหลวงปู่เชินทองไปอ๋อเขียนว่าเสียงฟักลาบว่ะถ้าคนอื่นพูดไม่ได้เนียแต่หลวงปู่เชิงทองพูดได้อ๋อพ่อปานเสียงฟักลาบว่ะเออพ่อวันเสียงเสียงเสียงเสียงกดที่พิม์ดีดไม่เสียงดังเมันลัวนี่แหละพอเสร็จแล้วท่านเขียนด้วยนะ ตอนเช้าจะเขียนมากับนอนเมเปแล้วมันจะตั้งเขาอี้เขียนให้ลงตาเขียนหนังจื้อนอนเมเปแล้วก็เขียนศอกที่ดำหมดตรงนั้นเอาเขายิ่งให้กับไม่เอาเออนนอนคว่ำแล้วก็เขียนพอเขียนเขียนกับค่าเลยเกือบเท่าๆ่ากันเราเห็น่ะอตัวเขียนกับตัวค่าเนี่ยเท่ากันแค่เกย์เกย์ไปถูกอยาขาดทิ้งเกย์แอ่ แต่ท่านก็รู้ว่าตัวไหนควรจะเอาตัวไหนท่านนี่แอจากนั้นท่านก็ขึ้นมามาพิมพ์ลเลยท่านพิมพ์ก็ดูดูที่ท่านเขียนไวนะ้น่ะพิมพ์ได้ก็จบออกมาพอจบออกมาเสร็จแล้วก็มมวมม น, วกนั่นแหอะท่านก็มามาบีบเป็นสองฉบับนะเอตัวจริงตัวหนึ่งตัวถ่ายเอกสารตัวหนึ่งเทพตกตอนเย็นผมขึ้นไปทํากิจวัตร ผมทำขึ้นเจวัดหลงตาเป็นประจำเลยขึ้นไปแล้วกันนันจะไว้ที่ไหนโอ้เอกสารแต่ละตัวเนี่ยมองแล้วมองอีกไว้ที่ไหนเก็บไว้ยัางไงเออเท่นี้เวลาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างพิมพ์ดีดเนี่ยพิมพ์ดีที่ท่านพิมพ์อ่านหน้าเาเนี่ยท่านพิมพ์เวลาเราจะยกพิมพ์ดีดนะ เราจะไปยกทางนี้ไม่ได้เดยกทางที่ท่านพิมไม่ได้ต้องยกทางหัวเอาทางหัวเข้ามาหาอกเราถ้ามันชนก็ให้มันชนทางนี้มนชนต้นไม้ชนอะไรเลยถ้าชนทางนี้มันพังมันเสียหายเพราะมันมันตัวนีนะ้ท่านจะต้องให้ยกอย่างนี้โอ้โหต้องมีสติสัมปชัญญะทํากระโหลกตาไม่ใช่ธรรมดาแล้วงา น, นเออพอยกเสร็จเรียบร้อยเราไปวางไว้ก่อนวางไว้ที่ไหนอีก พอวางเสร็จแล้วก็ต้องยกเก้าอีพอยกเก้าอีกจยกทางไหนไม่ใช่ยกทางที่ท่านพิมพ์นะยกทางที่นั่นอีกพอยกเข้าไปก็ค่อยวางวางตกไหนอีกไอ<ม>ตรงเทนที่ ม, มุมมุมที่ไห น, นเออต้องรูแล้วว่ที่ที่เรามันห่างจากไหนห่างจากฝาขนาดไหนห่างจากฝาขนาดไหนเออพอยกเข้าไปวางเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นไปไปวางอีกวางตัวนี้ พิมพดิตัวนี้หาา่งหางขนาดไหนตัวนี้ห่างขนาดไหนเออห่างขนาดไหนอีกโอ้ผมไม่ใช่ธรรมดาเลยซุ้เจ๋อพูดทำกบหลวงตานีนะเออใช่ไหมมาตินถ้าผมพูดคงไม่เกินไปนะแต่เนี่ยพอพอเย็บพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นคนเย็บเนี่ยหนังสือไหนที่ประวัติหลวงปู่มั่นนะเออหลวงปู่มัน่นทังทั้ ง, ท, งทั้งเอกสารตัวจริง เอ่าตัวตัวถ่ายเออตัวจริงกับตัวปลอมน่ยตัวจริงกับตัวนั้นตัวถ่ายเอกสารเน่ยแต่ท่านพิมพ์ครั้งเดียวเอาไว้ทั้งสองเก็บเอาตัวตัวตัวปลอมไว้ตัวเอกสารจริงส่งไปส่งไปให้สีสปดาเขาก็ลงลงในสีสปดาทีนพอส่งส่งไปตอนี้เขาบอกว่าเขาก็บอกว่ามันจะหมดนะเจ้าค้าจดหมายลงตาก็ ท่านบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีศีสั ป, ปดาบังคับนะประวัติหลวงปู่มั่นคงไม่เป็นประวัติหลวงปู่มั่นเพราะนี่เขาบังคับเขาบังคับให้เขียนพอบังคับไม่เขีย น, นก็ต้องพิมพ์ส่งให้เขาเพราะเขาจะได้ลงในสีสั ป, ปดาเป็นรายอาทิตย์ะเอไปลว่าอาทิตย์หนึ่งเขาก็ออกครั้งหนึ่งหนังสือสีสั ป, ปดาเนี่ยแหละพอเสร็จแล้วทีนี้ท่านก็นว่าจบประวัติหลวงปู่มั่นเนี้เออ จะเอาอะไรอีกเ อ, เอาปฏิปทาปัะเนี่ยเออเอาปฏิปทาพระทุโงกรรมฐานสายลงปูมันอันนี้ท่านเขียนด้วยมือเลยนะทั้งประวัติทั้งปฏิปทาพระทุโงกรรมฐานสายลงปูมันท่านก็นเขียนด้วยมือพอเขียนด้วยมือคืพิมพ์อย่างที่ว่านนะ <S <S ผมก็ได้เย็บทั้งสองเล่มเลยนะ <S <S เออพิมนะพ์ติดเนี่เออพิมพ์ติดเสร็จแล้วก็เก็บทุกวันทุกวันกัส่งที่สีสัปดาห์อย่างเกานะ่านนน่ะนี่แหละ อันนี้กระโถนไเวลาวางกระโถนวางไว้ที่ไหนเออเวลากาลน้ําแก้วน้ําวางไว้ที่ไหนโอ้ยผิดที่ผิดทางเท่านั้นนะอย่ามายุ่งกับเราในพระองค์นีอ่อเพราะนั้นเรื่องกระโถนแก้วน้ําผ้าเช็ดหน้าอะไรอะไรต้องอยู่ในระบบระเบียบ เ, เอออย่างว่าเรามาเห็นลูกน้องของเราเนี่ยขนาดเรียกว่ายังว่ายากลําบาก แต่เราปฏิบ e ัติกับลงตาเนี่ยโอ้ยยอมเราไป็นจริงๆว่าลงตาในระเบียบเอาจริงๆจังๆท่านตามตัวของท่านสมมติว่าวันนี้ท่านวางแก้วน้ำอย่างนี้กระโถนอย่างนี้ท่านวางใหม่ผ้าเช็ดหน้าท่านวางแต่วันลุกขึ้นวันเราก็เราไว้ที่เก่าวันที่สองอีกท่านวางไว้อีกอย่างนี้ เราก็เอาไว้ที่เก่าถ้าวันที่สามท่านท่านยังวางไว้อย่างเก่านั้นาเรามาอยากไว้ที่เก่าเนี่ยนานแล้วหัวแตกเลยเราวัดิเราก็ต้องสังเกตท่านเอาไว้ถึงสามครั้งที่สามยังเอาไว้อย่างเก่าแสดงว่าท่านอยากจะให้เอาไว้ตรงนั้นเราก็ต้องเอาไว้อย่างที่ท่านต้องการวันลุ่งึ้นวันต่อไปเราก็ต้องเอาไว้อย่างนี้เน่ยเนีรุ่นก่อนรุ่นก่อนรุ่นท่านเชรี่ตันะจนได้เอาเอาไว ดินสอหมายเอาไ ว, ว้เอาดินสอขีดเล็กๆเอาไว้เหมือนกันท่านไม่เห็นหรอกเพราะท่าประเสศสังเกตแต่เราเนี่ที่เรานี่กลัวมันจะผิดเอาขีดมาเนี่ยเนี่ยแหละอันนี้เลยคือสมัยนั้นนะถ้าเราอยู่ใกล้หลงตาเราไม่ค่อยกลัวหลงไม่ค่อยกลัวหลงตาเท่าไหร่นะถ้าอยู่ใกล้นะ ถ้าอยู่ไกลในน่ากลัวกว่าถ้าเราอยู่ห่างๆในน่ากลัวลกตาถ้าเราอยู่ใกล้ในไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะเราอยู่ทุกระดับใช่ไหมพอท่านไม่พอใจเหลือบตาเนะี่ยเรารู้อะไรเออเรารู้เลยว่าท่านไม่พอใจเรื่องอะไรเรารีบจัดการเลร็วเงี้ยเออปั๊บถูกอะไรถูกต้องเลยถ้าเราทําไม่ถูกแล้วท่านยังเหลือ บ, บอีกอยู่แสดงว่าท่านยังไม่ถูก ไม่ต้องท่านให้ไม่ต้องท่านให้ท่านบอกว่างั้นเถอะ เ, อเรื่องต้องรีบจัดให้มันถูกพอถูกแล้วท่านก็นเฉยและจะเดือยจะแต่งเอาเราทําถูกหรือจุกเนี้ย เ, เดี๋ยวไปเ น, นี่ยนี่แหละอยู่กับลงตาเลยเพียงพรมองมองสายตาของท่านอะไม่ใช่มองที่ไหนนะพอเข้าไปแล้วก็มองสายตาถ้าหากว่ามองสายตาดูแลควา้างโอ๊้เรื่องอะไรเนอวันนี้มันเรื่องอะไรเนาะเป็นใครเดีวไปก่อเหตุนอกวัด น, นี้นอน เออระวังระวันระว่างเงี้ยเถอะระวังเอาอย่างสุดๆเลยโอ้ทําไมนก็เปรี้ยงจริงๆระว่างังี้ยเถอะเนี่ยอันนี้คืออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ดีอความกลัวนี่เป็นเป็นสิ่งที่บอเกิดแห่งปัญญาเหมือนกันเอไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนโจโลซือเบือมันไม่เกิดปัญญาเลยไปอยู่ตรงนั้นคไกยๆว่าปัญญาในความคิด่มันหมุนตี้วเลยว่างเงี้ยเถอพอเข้าไปวัดีนเรื่องอะไร ขณะดเดินไปในวัดเนี่ยถ้าเดินไปกลางวัดโดยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรถ้าเดินไปตั้งคําถามไว้ในใจตัวเองแล้วถ้าเดินไปนี่เนี่ยถ้าไปเจอพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยถ้าท่านถามวาอะไรเราจะตอบว่าอย่างไรต้องมีคําถามต้องมีคําตอบแล้วใช่ไหมออต้องมีคําตอบไว้แล้วเตรียมคําตอบไว้แล้วท่านถามวาอะไรไปอะไร กับผมคือว่าจะไปดูนั้นไปดูดิไปดูไปดูที่ท่านจะไปดูเท่านันเดอเนี่นี่แหละเพราะนั้นโอ้ยอยู่กับพ่อแม่คูบ่าจาย์องคหลวงตาเนี่ยโอ้หลวงพ่อวานเนี่ะสรุปแล้วก็คือท่านเชอร์รี่ท่านปัญญามีคุณูปการอย่างมากต่อพวกเราท่านทั้งหลายที่ท่านได้อัดเทป m อ3มพสามธรรมเทศนาของท่านพูดอย่างเด็ดเดี่ยว เ, เมื่อสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าขึ้นมาแล้วเนะี่ยสาสิบกว่าไปสามสิบสองสาสิบสามลงตายยุดเทศนะจุดเทศแบบเผ็ดร้อนแล้วจากนั้นท่านก็เทศ ป, ปลาย ป, ปลายไปถึงสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าท่านก็หยุดหลงจากนั้นก็เป็นธรรมเทศนาสำหรับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนมากตอนเช้าบาัง ประเทศสถานที่ทองคำเข้าค้างหลวงบ้างจุดจำนวนสี่สิบปัญาปีสี่สิบสองไปแล้วแต่ตั้งแต่ปีสี่สิบสองมาหาสามสิบสองหนึ่งรู้สึกว่าท่านเทศห่างบางทีเป็นเดือนก็นยังไม่ได้อบรมพระมีแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบสองสองพัร้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ เริ่มเริ่มเทศเปียดร้อนสำหรับพระสงฆ์แต่ทำไมปี 2,518 ยอดมหา 2,510 <Okay. S 1> อย่างนี้ทำไมท่านเมเทศส่วนหนึ่งก็คือเลือดไปเลี้ยงหัวใจของลงตาไม่พอเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทหารอเมริกามาอยู่ที่สนามบินสนามร ถ, ถเครื่องบินมันขึ้นลงโอ้โห 24ชั่วโมงเลยดังสนั่นบันไหเพราะนั้นเวลาอัดเทปไปชมวันนี้เวลามีประชมท่านหลงตาท่านก็จะบอกขนาดเราจะไปที่ไหนก็ตามนะจะไปธุระกับหมู่กับเพื่อนอะไรก็ตามต้องเอาผ้ากีบวอลกับไฟฉายผ้ากีวอกัไปฉายไปด้วยจะไม่ขาดก อ, องกีวอลกับไฟฉายต้องไปด้วยประชมนะต้องดอดเลยวกันเลย ยีนาทีแปลว่าถึงสลาหมดทุกอกบัดป่าบันตาดยี่สบนาทีต้องถึงสลาหมดทุกอกพอขึ้นมานั่งแผลบพอนั่งประจําที่หมดแล้วตรงตาขึ้นมามานั่งกล่าบพระซะก่อนกราบทัานกราบกราวพระกล่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบหลวงปู่มั่นกราบหลวงปู่มั่นกราบเจ้าพุทสมเด็จ วัดบวรกรา บ, รจบเจ้าคุณธรรมะเจดียอท่านกราบหกครั้งจากนั้นท่านก็เดินออกมามานั่งพอนั่งเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้กราบนะเราก็นั่งประจำที่ไม่ต้องกราบจากนั้นท่านก็แสดงธรรมอบรมพระเลยนี่จะฟังลูกเดียวแล้วงั้นแต่โอ้ธรรมะขั้นเผ็ดร้อนที่ลงตาแสดงธรรมกลางคืน อันนี้นคืออบรมพระโดยตรงไม่มีครวาสเลยครวาสบางทีเขาทำท่านอาจารย์กับผมขอไปฟังด้วยได้ไหม <_ d ata> เอ้ยไม่ต้องอบรมพระ <_ d ata> เออท่านบอกอย่างนั้นครวาสไม่มีมีแต่พระแต่เวลาอบรมเสร็จแล้วเียงเครื่องบินมันดังขึ้นนะ โ, โ, โ, โอ้เออแต่เนี่ยมันก็เงียบ จนมันหายไปวันน่ะท่านยังพูดต่อถ้ามันขึ้นบ่อยๆท่านเออวันนี้มันได้เลอกไหมไปเลิกกันก็ได้เลิกกันเออบางครั้งนั่นแ่ะเพราะในช่วงสิบสองถึงสิบแปดเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องบิน2 0งปนะสิบหกเนี่ยนะเครื่องบินอเมริกาอยู่ที่สนามบิ น, นมากมากจนไข่ไข่ไก่แถวนั้ น, นไม่มีลูกเลยคลๆว่ามันมันมันกระเทือนมากจนไข่เน่าเลย สมัยนั้นอ่ะ 2,117-18 ค่อยชาลงชาลงแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังไม่เสียงพอ 2,118 แปลว่าหมดไปจะมีธรรมเทศนาของลวงตาอัดไอ้อัดเป็นแผ่นขึ้นมาธรรมเทศนาเทศของลวงตาเริ่มแต่แต่18เป็นตุเป็นตาเลย19 20 21 22 3 24 25 26ช่วงนี้แปลว่าเทศเผ็ดร้อนมาตลอด แต่ปี27 2127ผมออกมาแล้วนะผมมาอยู่ที่นี่แล้วช่วงนั้นช่วงสร้างสระน้ำเอ่อเท็นดาท่านตาพระ <c oughs> การ น, นั้นเป็นการที่รุนแรงที่สุด <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของธรรมเทศนาของหลวงตาเออแต่ก็น่าเสียดายท่านปัญญาพทุทโธที่ท่านจากไปก่อนองค์หลวงตา จะทำไงได้ล่ะท่านอายุเจ็ดสิบเ<ม>่าัหท่านพันผมงพ่อปัญญาจากไปเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ <78. S 1> ็ดสิบแปดเนี่ล่หละพี่น้องลกูกหลานลุงพ่อเห็นหมู่พวกเพื่อนเก่าก็มาเล่าเล่าให้ทวนความจำทวนความจำให้ลกูกหลานได้ยินสรุปแล้วก็คืออยากจะให้ มาตินเชิดชูบูชาหลวงพ่อปัญญากับตลวงพ่อเฉรี่นะถ้าได้เขียนถ้า้เขียนเป็นหนังสือแล้ว อ, อะไรนะเนี่ยควรจะเล่าประวัติความเป็นมาอันนี้ผมพูดให้ฟังเป็นข้าวๆาควรจะเอาจะเป็นว่าเนื้อท่านปัญญามีประโยชน์ต่อสาธุรสิทธิ์ขององค์หลวงตาอย่างไรแอนเชลี่มีคุณประโยชน์ต่อองค์หลวงตาอย่างไรควรจะเชิดชูบูช า, าพระลังให้ ออไม่ใช่พระหลั่งเข้ามาเกาะลงตายเฉยๆมันดูดัวแล้วมันไม่ใช่นะท่านทําคุณประโยชน์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลงตามหาศาลนะนั่นนะผมอยากจะให้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก่อนก็ได้เป็นไรเออใช่เ อ, อ, เ อ, อาภาษากฤรนะีกเชิดชูบูชาท่านปัญญาความเป็นมาของเทปของเอ็มพีสาม ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาทําคุณประโยชน์ให้กับสิทธิอนุสิทธิ์ขององค์ลงตาพวกเราควรจะเชิดชูบูชายกย่องท่านมีสายตายาวไกลมีวิสัยทัศน์มองไกลว่าเธรรมเทศนาขององค์ตาจะเกิดประโยชน์ต่อสิทธิอนุสิทธิ์อย่างพวกเราท่านท่างหลายได้เห็นก่อนที่จะมีประโยชน์นี่พวกเราไม่ได้อยู่ อยู่เบื้องหลังประโยชน์กับมาถกเถียงกันว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญแต่ที่ไหนได้เขาปลูกเขาฝามาแล้วตัวเองมาแย่งกินมากกินผลเท่านั้นเองก็ยังว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญแต่ต้นเหตุจริงๆนั่นคือใครนะหลวงตาเทศหลวงพ่อปัญญาเป็นคนอัดท ร, รมเทศนาของวงหลวงตาจึงได้มีนะเป็นตนเป็นรำเป็นมักเป็นผลมา ก, กระทั่งทุกวันนี้ ผมว่ า, น, าน่าจะเขียน เ, เกี่ยวกับท่านปัญญาเชิดชูบูชาท่านปัญญาท่านเชอรี่นะพระประหลังที่มาเกี่ยวข้องแต่ความเป็นมาของท่านพูดมาถึงว่าท่านบวชมาจากพัตโพวอนท่านอาจารย์เชอรี่เป็นนาคซ้ายท่านพระอาจารย์ปัญญาเป็นนาคขวาแต่เป็นองค์สวนี่เป็นองค์ลกตาสวดหรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไปถามท่านเชลรี่ก่อนก็ได้ ใครเป็นอาจารย์จวดท่านเอาละบ้างนะทีนนะหลวงพ่อข้าซุก ส, สวัสดีเนะ่าลูกหลานเนะ่าลมเย็นเป็นซุกหนะ้าล่ำรวยโชคดีทุกคู่ทุกคนดวงตาเห็นธรรมนะลูกหลานทุกคนเนะ่าครูบาอาจารย์คือกันต่างอกต่างใจปฏิบัติรักธรรมไปแน่นะลูกหลานเนะ่าให้ดวงตาเห็นธรรมต่างอกต่างใจพ่อวนันหน้า